a อปเปก็ดีมะม่วงมะขามที่ในตลาดเนี่ยแต่ถ้าเราไปถามคนขายเขาจะบอกราคาทันทีถามกี่บาทเนี่ยนะเขาก็บอก5บาท10บาทจริงๆแล้วต้นมะขามหรือต้นมะม่วงไม่เคยออกลูกมาเพื่อขายหรือจำหน่ายมันออกมาให้ตามกระบวนการธรรมชาติครับเพราะธรรมชาติได้ตรัสรมเราก็ว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นนะครับ เตรียมทุกเรื่องไว้ให้แล้วก็เพื่อให้สิ่งทัางยได้อิงอิงกัอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็ให้ราคาสิ่งต่างๆราคานั้นคือคําราคะมนุษย์เริ่มมีราคะต่อสิ่งต่างๆแล้วก็เลยคิดราคากันใหญ่เลย คิดราคานั้นหมายว่าคิดด้วยราคา ส, สมมติเราไปถามว่าแมคค้าปลานะครับว่าปลาตัวนี้นเท่าไหร่ละ่ะคิดราคาเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าแมคค้าก็คิดค่าของราคาที่ที่เราต้องการเนี่ยเราอยากมากเท่าไหร่ก็แพงเท่านั้นมนุษย์กระหายอะไรมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะแพงขึ้นครับ เฉนั้นภาษาเขาจึงพูดว่าคิดราคาหรือมีราคาหรือมีค่าคำาคาว่าราคาแต่ราคาที่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่คิดราคาคือไม่ไม่ไม่มีความต้องการมันสิ่งนั้นก็กลับเป็นธรรมชาติเดิมซึ่งไม่มีค่าไม่มีราคาเหมือนน้ำเนี่ที่จริงไม่มีค่าอะไรเลยเนะครับ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 แร่ธาตุด่างๆนะครับจนกระทั่งบรรลุถึงความเป็นธาตุนั้นๆอย่างสมบูรณ์เช่นวะั น, น, นี้มีธาตุที่สมบูรณ์อยู่ในตัวมั น, นอย่างชนิดที่ไม่มีวันไม่มีวันที่เปลี่ยนโครงสร้างอันนี้ได้คือธาตุน้ำนะเป็นเป็นมูลธาตุหลักและเป็นองค์ประกอบที่สลักสําคัญที่สุด ทางด้านกายภาพดินน้ำไฟสิ่งอันนี้เราถ้าจะเรียกได้เป็นอมตะไฟนี่ครับเป็นอมตะสมมติเราจุดไฟขึ้นสักกองหนึ่งที่นี่ที่ที่วัดนี้แล้วเราก็ดับมันถ้คนไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็พูดว่าไฟดับแล้วไฟหายไปแล้ว ที่จริงไฟหายไปไม่ได้ครับเพียงแต่เปลวอันนั้นเนี่ยมันหมดเหตุหมดปัจจัยลงแต่แล้วเราก็จุดขึ้นได้ใหม่ยังไม่รู้จักจบสิ้นเราก็ว่าไฟนี่ซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกคนนะฮะไฟที่จุดขึ้นที่ที่แคนาดาหรือที่ที่ประเทศไทยเชื่อไฟเท่ากันไฟเป็นอันเดียวนะฮยทั่วโลกเนี่ย ไม่เพียงแต่ที่นี่เนทะ่านั้นที่บรรยากาศอื่นที่ดาวดวงอื่นที่มีบรรยากาศหมอกก็จะปรากฏไฟขึ้นมาไฟนั้นเราพูดว่าไฟเพราะเราสังเกตได้จากเปลวเหมันแต่ว่าตัวแท้ตัวจริงของธาตุไฟก็คือความรู้สึกที่ร้อนเห็นหเช่นความอบอุ่นในร่างกายนะี่เรียกว่าธาตุไฟ น้ำที่เราเห็นด้วยตาคืออะไรบางอย่างที่พลิ้วพิวเลื่อนเลื่อนหลายๆนั่นแหละแต่ถ้าในส่วนประมัตเถาะของมันคือประมัดของจริงแล้วก็คือความรู้สึกที่อ่อบอาบเสื้อบซาบซึ่งเราสัมผัสได้ในภายในนะครับลมก็สิง่งสิ่งที่พัดผันไปครับเราสังเกตได้ใบไม้ไหวนี่นเราเราคเนแล้วต้องมีลมพัดแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้จริงจริง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 มูลธาตุต่างๆเมื่อเรารู้ความหนักในสภาพรู้นี่คือวิญญาณธาตุดังนั้นเราก็ลังศึกษาชีวิตด้วยอย่างถึงแก่นนะฮะเมื่อเรากำลังจะเิญภาวนานะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดวยวิธีตั้งข้อคิดคิดนึ ก, ค, นกคิดนึกซึ่งซึ่งห่างไกลนะฮะแต่ก็ได้ภาพพดรวมๆเข้าๆเท่านั้นเองน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 หั่นแล้วก็จุดไฟเผาก็กลางเขี้เท่าเอาขี้เท่าไปโรยลงแม่น้ําครับเนี่จากท่อนไม้ใหญ่ๆจกนกระทั่นกลายเป็นขี้เท่าแล้วก็หายหมดเกลี้ยงเลยแหลกละเอียดไปหมดถ้าเราศึกษาทางด้านทฤษฎีเดีมันไม่แหลกครับมันจะงุนง ง, งงอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติเข้าไปเนี่ย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 คนพบแร่ธาตนะครับจนทั้งยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเพชรคือมันจริงที่มนุษย์สมมุติว่ามีค่าแล้วก็นายช่างก็ค้นพบวิธีที่ฉลาดที่จะเจรไนให้ดูว่าวาวสมค่าของมันจริงจริงการที่เพชรมีค่ามีราคาเป็นเรื่องสมมุตินะครับ ยิ่งเพชรก็เหมือนก้กอนหินก้อนดินเนี่ยอย่างนิทานเรื่องไก่กับพลอยเคยอ่านในชะ่ไครับวิชานนิสส่เวลาเขาสรุปสรุปไปอีกทางนงว่าไก่ไม่รู้ค่าแต่ให้ผมสรุปผมสรุปไปอีกทางหนึ่งผมสรุปมันจะไปรู้ค่าอะไรก็เหมือนกันเข้าสุกกับเพชรหรือดินก็เหมือนกันไปสนใจอะไรมันอย่างนี้สรุปไปอี ก, อกแง่มุมหนึ่ง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 ไม่ใช่มนุษย์นี่คือลิงมักจะมีคนเข้าใจผิดกันเลยมนุษย์นี่สืบบรรพบุพรุษมาจากลิงชนิดหนึ่ง น, นี้ไม่ถูกต้องนะครับคือบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือมนุษย์นี่แหละแต่ยังเป็นมนุษย์ที่ละไม่ลิงส้วนส่งหลังงอธรรมชาติค่อยๆ ค, คัดเฟ้นเจนกระทั่งในสุดก็มาบรรลุถึงสัดส่วนสวดทรงที่ ที่สมบูรณ์แล้วครับที่เราเป็นในทุกวันนี้นั้นเราโชคดีมากมากครับแล้วในในในส่วนในสุด <c oughs> ส่วนร่างกายนั้นได้สัสดส่วนที่สมบูรณ์นะครับท่านเรียกว่ามีปัญจสาขาคือห่างแง่งตรงกลางมือกลางเท้ามือคู่เท้าคู่กับสีแง่งแล้วหัวอีกอันเเรียกห่าแง่ง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 ถ้าจะนอนก็นอนยากมากครับนอนแล้วลุกลาบากดังนั้นสัตว์ต่างๆนั้นมีอิริยาบถ ท, ที่จำกัดมากๆทีนี้มนุษย์นี่มันมีอิริยาบถสี่ที่กลมกลืนมากครับเราสามารถนั่งยืนเดินอย่างผู้ฝรั่งนี่นั่งนก็นั่งลาบากแม้เขาจะเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ว่าวัตเตอร์ธรรมเขากลับขัดแย้งกับธรรมชาติที่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 ถ้าไม่รู้จักเจรไนามันก็กลายเป็นสิ่งที่คุนๆอย่าง น, นีเหมือนกับแต่ข้างเนื้อในอมันก็ใสสะอาดแต่ว่าเนื่องจากผิวผิวหน้าของจิตเนี่ยมันมันติดยึดในสมมุติติดในริ้วรอยของสมมุติเหมือนเขาว่าก้อนกรวดก้อนหินก้อนหนึ่งในลําธารนะครับมันกลิ้งมาในลานนานําธารนอนดังนั้นส่วนทรงข้างนอกมันก็ถูกขูดขีด ถูถ่ายไปตามกับก้อนหินอื่นอาจจะเป็นแผลหรือกลมก็ได้แต่ว่ามันเป็นผิวเปลือกของมันส่วนทีเป็นเนื้อในจริงๆของของมนุษย์หรือของชีวิตนั้นคือจิตใจครับส่วนร่างกายผิวพันธ์วันณะอะไรแบบน้นเป็นสิ่งผิวเปลือก เปลือกของกายนี่อันหนึง่งยิ่งผิวหน้าของจิตอีกอันหนึ่งครับผิวหน้าของจิตนั้นเป็นละลอกแล้วมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือคิดนึกจะกำหนดจดจำาน้นจำนี้ที่สมมุติว่าเราจะเจริญในชีวิตของเรานะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปตัดเสื้อผ้าชุดใหม่แพงๆ แ, แล้วชีวิตจะดีขึ้น อันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสมมุติครับเรามีทองเยอะๆเราก็มาห้อยหูห้อยหางก็ดูโกดีแต่ถ้าทำมากถึงขนาดเธอก็อาจจะดูตลกไปก็ได้ครับถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ใ, ใส่แหวนนิ้วทุกนิ้วที่นิ้วเท้านิ้วมือด้วยก็คงดูตลกไปแทนที่จะดูสวย วันีเครื่องจีรนายจิตใจเรา ค, คือสิ่งเรียกธรรมะนี่เองครับที่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเราต้องขัดกลาวมันเข้าในสุดนก็จะเปิดเผยเนื้อใ น, น ท, ที่บริสุทธิ์ผุดพองเปรีดยวเพชรซึ่งธรรมชาติได้บ่ม ม, มนุษย์เรานี่มันเป็นเพชรขอ ง, ของจักรวาลนี้นะครับกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นนะครับ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 คือเป็นพี่ใหญ่ของของของโลกนี้คือท่านเป็นคนแรกที่เห็นมันก่อนหน้านั้นนั้นไม่มีใครเห็นนะครับมีแต่คนคิดเอาทั้งนั้นพวกพราหร์พวกฮินดูที่พระเจ้าท่านเห็นจริงๆท่านเลยร้องเรียกตัวเองว่าเป็นเราเป็นเชษดถาของโลกคือเป็นพี่คนโตสุดท่านไม่เรียกตัวเองว่าเราเป็นพ่อหรือเป็นบิดานะฮะท่านนั้นท่านถือ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 แต่เราต้องมาที่เรือนกายเพราะเพราะเรือนใจมันก็ซ้อนอยู่ในเรือนกายนีอ <c oughs> เพราะเข้าไปในเรือนกายแล้วก็เคลื่อนไหวมากมมันก็ซึมลึกเข้าไปจนถึงเรือนใจมันเข้าถึงเรือนเรือนของหัวใจนะครับมันก็เริ่มขัดที่ผิวหน้าของใจเหมือนกการเจียระไนเพชรความรู้สึกตัวที่เข้าไปที่ใจนะครับมันก็เข้าไปตัดกระแสความคิด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 เขามักจะทำเป็นเรือนแก้วเรือนที่จริงนั่นคือเรือนใจครับที่เป็นเป็นเป็นเรือนแก้วเข้าใจไหมครับรู้จักคำว่าเรือนแก้วไหมพุทธรูปตางบางทีก็จะทําครอบแก้วไว้หรือหรือไม่ ก, ก็เป็นเรือนโพครับที่เป็นเป็นคล้ายๆสิ่งที่ครอบอยู่บางทีก็ทําเป็นรัศมีอย่างวัตถุชินราชเนี่ยเขก็ทํามันเรือนแก้วแล้วลงมาอย่างนี้ครับคงนึกออกแล้ว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 สิ่งละไม้สัตว์อีกต่อไปเ่ากับการเป็นผู้ที่มีน้ำใจไหลหลั่งออกมาเรื่อยๆน้ำใจไหลหลั่งมาหมายถึงว่าเรามีจิตมีใจเรามีชีวิตจิวาแล้วก็ทำ ง, งานทุกสิ่งด้วยน้ำใจคบมิตรคบเพื่อน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 ใช่ว่าคนสมัยพุทธกาลในคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงมันทั้งหมดนะคก็มีข้อความในพระสูตรที่น่าสนใจมากครับว่าบรรดาสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่เข้าถึงธรมะมากน ค, คือประเภทครือักไม่ใช่พระภิกษุนี่หลักฐานมีผมอ้างได้เลย ข้อนี้หมายความอย่างไรไม่ได้หมายว่าประสงค์ไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำพูดเข้าถึงกระแสธรร ม, มหมายตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปดังนั้นเครือข่ามีธุระมากมีกิจมากมีการงานต้องบริหารมากต้องรับผิดชอบมากดังนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมะแล้วก็เข้าถึงกระแสแล้วก็ลังรออยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนพระภิกษุนั้นเนื่องจากเครื่องแบบอานวยนะครับมีชีวิตที่สะดวกสบายในการปฏิบัติเมื่อตกเข้าสู่กระแสแล้วก็ถึงที่สุดได้ง่ายนะเปรียบเหมือนคนข้ามฟากคนที่นั่งในเรือข้ามไปแล้วนมีน้อยแต่ที่อออยู่ที่ท่าเรือนมีมากแต่คนที่ยังไม่ไม่คิดจะข้ามนี่ก็มีสาวกที่เป็น สาวกสาวิกาที่เป็นฤๅษหั์ที่เข้าถึงธรรมนะครับส่วนใหญ่พระเจ้าอินวร์เป็นนาคามีแล้วก็มีอาชีพปั้นหม้อขายเพราะเป็นอาชีพที่เบียดเบียนน้อยคำว่าปั้นหม้อนี้ในอินเดียนะครับแม้เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงครั้งพุทธกาลเป็นอาชีพที่ทาเงินได้อย่างสะดวกมากเพราะชาวอินเดียเขายึดถือในวันนะ ภาชนะเครื่องดินถ้วยอะไรนี้เขาจะไม่ใช้แก้วในร้านกาแฟเพราะว่าล้างแล้วเขาก็ยังรังเกียดว่าวันนอื่นใช้ดังนั้นเขาจะปั้นดินคือกินทีเดียวแล้วคว้างทิ้งเลยังนั้นอาชีพปั้นหม้อปั้นดินขายเนี่ยสะดวกมากมากขุดดินด้วยมือปั้นคนเดียวจําหน่ายได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนนั้น พระอนาคามีส่วนใหญ่ในครั้งพิธีการเนี่ยมักจะมีอาชีพปั้นดินขายปั้นหม้อคือไม่เดือดร้อนเลยเราขยันหมั่นดูจิตดูใจครับ อยประมาทเป็นขาดนะครับมีธรรมชาติที่เป็นเป็นอุปสรรคในตัวเราก็คือความ <c oughs> เลอะเลอสะเพร่าแล้วก็ศบประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นประมาทถ้อยคําของพระพุทธเจ้าหรือเมินเฉยในสุดเมื่อเราศบประมาทหรือประมาทไปในทุกเรื่องทังนใดแล้ว <c oughs> เราก็ลบล้างไอความสลักสำคัญของตัวเองของชีวิตของตัวเองไปเมื่อเราสบประมาททุกเรื่องทุกอย่างเราคือเราสบประมาทตัวเรานั่นคือเราดูหมิน่นชีวิตของเราเองในที่สุดผู้ที่ไม่ประมาทนะครับก็คือผู้ที่ตั้งหลักกขามาในภายในเสมอ คำามิดใจให้ได้สมดุลแล้วก็สอบสวนพระพุทเจ้าทรงตรัสว่าเธอพึงทาให้เหมือนสตรีหรือสาวน้อยผู้ออกจากบ้านก็ย่อมส่องหน้าด้วยกระจสมรจูจทุกวันทุกครั้งไม่ให้มีอะไรที่แปดเปื้อนชิ่ใบหน้า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 น้อยสุดก็ปลอบใจตัวเองได้นี่อย่างน้อยนะครับคือว่าโอ้ชีวิตเขากือชีวิตเขาชีวิตเราก็ชีวิตเราไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันนี่เรียกว่าอย่างอย่างน้อยแต่ว่าถ้าอย่างมากคือปฏิบัติอย่างมากและตรงมากกว่านั้นคือทิ้งเลยไม่ต้องมานั่งปลอบใจตัวเองไม่สนใจเลยครับเอาความรู้สึกล้นๆทุ่นๆของเรา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 เอาชนะนิสัยที่ลังเลชอบมากเรื่องมากความแล้วในสุดมันกง่ายนิดเดียกครับตื่นในเช้าพอตื่นปั๊บก็จับความรู้สึกตัวแล้วก็ดูใจเข้าไปนานเข้าในการดูนี้นยครับธรรมชาติที่ดูใจกับใจค่อยๆรวมตัวกันขึ้นรวมตัวนขึ้นกลายนว่าใจนั่นแหละที่ดูโลกอยู่เมื่อพูดดูใจนั้นพูดสาหรับคนที่กาลังดูใจอยู่นะครับ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 ภายในใจนั่นแหละครับที่เจิดจ้าที่สุดจริงๆทิ่งกว่าพระที่ทิ้งกว่าพระจันร์เนี่ยแต่เราไม่รู้จักมันมันเหมือนมีห้องปิดตายอยู่เนี้แต่กเราก็มีสติรู้ไอ้นี่เป็นเทียนดวงนอกครับที่เราถือไว้ในมือแต่พอรอบๆมันมืดถ้าเราไม่ตั้งสติถ้าเราไม่เจริญความอัปปามาตธรรมขึ้นนะครับคือความไม่ประมาทเนี่ย เราก็จะไม่มีเชื้อเลยไม่มีตัวนำเลยครแล้วมันจะไปไม่ถูกดังนั้นเจริญสติน้อยๆขึ้นครับประคองไอ้ความรู้สึกตัวนี้ให้ดีๆจนกว่าปากประตูใจจะเผยขึ้นมาและแสงภายในเนี่มันจะออกมารวมตัวแล้วก็ไม่ต้องดุยเพราะว่าวันนี้เมื่อเรารู้เราก็เห็นเมื่อเห็นเราก็เป็นใจคือเข้าถึงใจแล้วก็เป็นอนันุวา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 เพื่อจะนั่งดูเฉยๆครับดูดูแสงสว่างขึ้มนมาศาสตรเข้ามาจับความรู้สึกตัว น, น้อย เสียงถึงสรรพสัเนียงต่างๆของรุ่งเช้าดูแต่อย่าจอ้องกับตสิ่งอยู่เบื้องหน้าทอดสายตาไกลๆพร้อมๆกับจับความรู้สึกตัวน้อยๆครับอย่าให้เกิดพักวงถึงความที่จะต้อง รู้สึกตัวและอย่าให้เพราวะภวั ง, วงถึงการที่จะต้องดูอะไรบางสิ่งภายนอกหรือจะต้องดูอะไรบางสิ่งภายในภายนอกภายในนั้นเสมอกันครับเชื่อมประสานกันอยู่เรื่องของใจดูเดียวเท่านั้นนะครไม่มากเรื่องเลยภาพข้างหน้าสะท้อนในที่ใจนะถ้าไม่มีใจเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่เห็นภาพ